อะไรที่ทําให้น้ํานี้ขุ่นอะไรที่ทําให้ใจขุ่นก็กิเลสเหล่านี้แหละที่มันเลยทําให้เราเนี่ยลำเอียงอยู่เสมอลําเอียงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นนะ่ะมันไม่เพียงแค่ปลาตัวนี้จะต้องตาใสาเท่านั้นไม่เพียงแต่ว่าปลาอยู่ในน้ําใสเท่านั้นแต่ปลาตัวนี้ตัวนี้จะต้องมีใจที่ใสด้วยนะใจที่มันบริสุทธิ์ใจที่มันสะอาด ถึงจะสามารถที่มองเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้ถึงจะมองเห็นฟ้าว่าฟ้าสูงแค่ไหนนะฟ้าก็เปรียบเหมือนกับคุณธรรมเหมือนกับความดีนะเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขจากการประพฤติธรรมยังไงไม่อย่างนั้นถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยเคยได้ยินมาหลายคนที่พอมาถือศรรีลหรือว่ามาปฏิบัติธรรมบางทีจะบ่นออกมาให้เราด้ยินอยู่เรื่อยๆบ่นว่าทาดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลย น, นี่แสดงว่ายังไม่รู้เลยว่ามัน ว, ว่าเป็นยังไงเพราะพวกเนี้มักจะเกิดความรู้สึกน้อยใจมั่งเสียใจมั่งหรือไม่ก็โกรธโกรธจนกระทั่งเลิกเลยไม่ยอมทำดีตากลับนะจะมองไปตรงข้ามกลับเห็นว่าคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมันได้เปรียบอย่างนี้สิมันถึงจะดีใช่มอย่างนี้ที่มันถึงจะเจ๋งอย่างนี้ที่มันถึงจะรวย อย่างนี้ทีมันถึงจะเป็นสุขนะนันมันก็กลับตาละปรับอย่างนี้เพราะะฉนั้นก็จะใช้อารมณ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาใ น, นในการตัดสินอะไรต่างๆก็ตามอทีนี้อ่านต่อนะเพราะความโง่หรือความไม่รู้วงเล็บอาจวิชานั่นแหละที่ทําให้ทะเลแห่งน้ําตาไม่เคยเหือดแห้งความโศกเศร้าโทมนัสยังคงแนบสนิทต่อทุกๆชีวิตดุดเงายิ่งวิ่งหนี มันก็ยิ่งตามความกวนกระวายความคับข้องใจความหม่นหมองจึงยังคงไล่ตามทุกๆวินาทีชีวิตที่ผ่านมันมออาจมาอ่านเกินให้เขาเดี๋ยวเดีนะความคับข้องใจความหม่นหมองจึงยังคงไล่ตามทุกๆชีวิตที่ผ่านมันผ่านมันนี่คือผ่านอะไรฮะทุกชีวิตที่ผ่านมันคือผ่านอะไรคือ เนี่ยแหละจะผ่านความเศร้าโศกผ่านความเสียใจดีใจอะไรต่างๆแต่เพราะมีตัวอะไรเป็นผู้กําหนดมีความโง่หรือว่ามีอวิชชาเนี่ยแหละที่เป็นตัวที่ถ้าผ่านในตัวโง่ตัวอวิชชานี่แล้วนะเราก็จะต้องมาวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เศร้าโศกเดี๋ยวก็หัวเราะทั้งน้ําตามั่งเดี๋ยวก็ ร้องไห้แล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยจะวนอย่อยางเงี้ยอยู่เรื่อยๆความมืดหลังประตูเหล็กสีดำบานใหญ่บานนั้นยังคงก่องความขลาดกลัวต่อผู้ที่ไม่รู้แต่สําหรับผู้ที่เคยเข้าไปแล้วเขาย่อมไม่กลัวอีกต่อไปการไม่รู้เหตุแห่งความจริงแท้ของปัญญาของปัญหานั่นแหละที่ทำให้มนุษย์วนเวียนอยู่กลางทะเลแห่งความทุกข์ สมเด็จพระสัมมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาความแท้จริงของสัจธรรมพระองค์กลัวพระองค์กลับพบว่าสัจจะที่แท้จริงนั้นคือทุกขอริยสัจในโลกนี้สิ่งที่เรียกว่าความสุขอริยสัจไม่มีมีแต่ทุกข์เท่านั้นอันนี้คงไม่ต้องขยายแล้วนะ คือรู้แล้วพวกเราคงจะรู้แล้วแต่ที่รู้แล้วนี่อาจจะหลอกตัวเองนะเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ยังอยากสุขอยู่อยากสุขแบบโลกโลกด้วยบางทีอ่ะบางอารมณ์บางเวลาใช่ไหมเพราะแสดงว่ายังรู้ไม่จริงยังยังรู้ไม่ถึงอริยสัจจริงถ้ารู้ถึงอริยสัจจริงแล้วเนี่โอ้โหทุกครั้งที่พอเราไปสัมผัสกับความสุขแบบโลกียะเนี่ เราจะต้องเห็นทุกทันทีเลยไม่ใช่เห็นสุขเข้าใจไหมแต่ถ้าครั้งไหนเนี่ยโอ้โหได้กินสมใจแหมได้ใส่เสื้อตัวโปรดตัวสวยแล้วแหมเดินแบบโอ้โหสง่าผ่าเผยเลยนะรู้สึกแหมภูมิใจเหลือเกินได้ใส่เสื้อตัวเก่งวันนนั่นแหะแสดงว่ามันยังมันยังหลงอยู่มันยังมันยังติดสุขแบบที่ยัง เป็นลาบยศเสริญเป็นอะไรพวกนแบบกี้แบบโลกีแบบโลกโลกนี่อยู่ยังไม่รู้ อ, ร, อริยสัจจริงถ้ารู้อริยสัจจริงเนี่ยจะรู้ว่าไอ้จิตอย่างนี้แหละอารมณ์อย่างนี้แหละจริงๆแล้วมันจะทําให้เราเกิดทุกข์และอารมณ์อย่างนี้แหละเป็นตัวต้นเหตุของทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าใครเข้าใจใครรู้นี่จะระวังอารมณ์นี้เลยพอเวลาเกิดขึ้นนะอันนี้อันนี้พูดในมุมที่ เรามักจะไปคิดเป็นอารมณ์โลกโลกอย่างบางคนอย่างเงี้ยอสมมุติว่าผู้หญิงนะสมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยบางทีอ่าวเห็นผู้ชายอ่าสมมุติว่าพอดีหน้าตาดีๆด้วยโอ้ค่อนข้างจะตรงสเปคด้วยนะเสร็จแล้วบางทีเขาก็อ้ามาพูดดีๆกับเราเสร็จแล้วก็ชมให้เราแถมยิ้มอีกนิดหน่อยนะห่อให้นิดหน่อยนะแล้วก็พูดแบบว่าเอาใจเรา โอ้ยปลืม้มนะสุขอะไรเงี้ยเอาล้เริ่มละเคิมตามแล้วาถ้าอย่างเงี้ยเราต้องรีบจับอารมณ์เราให้ได้ว่านี่แหละทุกมาแล้วทุกมาแล้วไม่ใช่สุขว่านี่เป็นอารมณ์ที่เราหลอกตัวเราเองมันเป็นอุปัฏทานนะอุปท า, นะานที่เราฝังไอ้เรื่องกิเลสพวกนี้เอาไว้เพราะฉันมันจะกลายเป็นยินดีพอใจจะกลายเป็นแหมปลืม้มเป็นความสุข พราะฉะเนี่ยถ้าถ้าใครใครพยายามรู้เท่าทันแล้วก็จับอารมณ์อย่างนี้ได้เราจะได้รู้ตัวไวรู้ตัวไวเนี่ยมันจะไม่หลงเพลินแบบมันจะไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามนั้นแต่ถ้าใครเนี่ยไม่พยายามจับอารมณ์พวกนี้ให้ทันแล้วก็รู้สัจจะด้วยนะถ้าใครเนี่ยไม่จับไม่ทันแล้วก็ไม่รู้สัจจะด้วยเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยให้เพลินไปเพราะมันจะชอบมากเลยมันจะรู้สึกเคลิ้มรู้สึกมีความสุขมากๆให้เราไปสังเกตดูก็ได้จากสิ่งที่เราผ่านมาแล้ว ที่เราปฏิบัติลดละมาได้แล้วแล้วทุกวันเนี่ยเราลองระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนไปเรารู้เลยว่าโอ้โหแต่ก่อนนี้เอ๊ะทำไมเรารู้สึกลักจังเลยชอบจังเลยนั่นอย่างเช่นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเอาเอาชัดๆนึกย้อนไปสิโอ้โหแต่ก่อนบางคนติดเป็ดย่างไก่ ย, ย่างบางคนไปติดตูดเบ็ดตูดไก่อีกแม่ จริงๆแล้วเราลูกเลยว่ามันเป็นอุปทานที่มันหลอกตัวเองจริงๆเลยเข้าใจไหมแต่บางคนที่ที่ไปหลงเอาไว้ใช่ไหมเป็นอนวิชาเนี่ยไปหลงเอาไว้เราไปยืดเอาไว้แล้วมันก็อร่อยจริงๆตอนนั้นอ่ะให้นึกย้อนดูว่าโอ้โหตอนนั้นอร่อยจริงๆแต่จริงๆเลยบางคนบอกกินไอ้พวกตูดเบ็ดตูดไก่แบบโอ้โมันกรุบกรุบกรุบแมมันอร่อยดีจังเลยมันมาไม่เคยกินนะนี่ฟังจากคนที่เขาเคยกินเขาเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> แล้วเขาบอกว่าโอ้โหเห็นไม่ได้นะ เขาบอกว่าตัวเดียวอันเดียวเหมือนกันนะว่าตัวเดียวมีก้นเดียวโอ้เขาก็บอกว่าถ้าให้เห็นแล้วก็ต้องรีบจองก่อนเลยแหละอตาตมาก็เออคนอย่างนี้ก็มีแต่มันเป็นความสุขจริงๆเห็ไหมนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เป็นความโง่เป็นอวิชชาที่มันหลอกเรา <S <S เพราะฉะนั้นอารมณ์พวกเนี้มีเยอะเล ย, <S <S เลยเราถึงได้มาเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างเนี้อารมณ์พวกเนี้มันฝังอยู่ในจิต เราเป็นอุปทานในจิตเราเนี่ยเยอะมากกว่าเราจะไม่มาค่อยๆเรียนรู้มาเข้าใจโอ้โหจริงๆแต่ก่อนนี้ทําไมไปติดอย่างนั้นได้เดี๋ยวนี้พอเรารู้เข้าใจแล้วเราเลิกลดละมาแล้วใช่ไหมจะไปให้เราไปติดอีกไปกินอีกเราโอ้โหไม่เอาแล้วเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันไม่น่ากินอะไรเลยแต่ไม่แน่นะบางคนยังอาจจะ เลิกกินมาแล้วแต่อุปทานเก่ายัางมีก็ต้องระวังนะเพราะถ้าใครนี่นะถ้าไม่ล้างอุปทานเก่าที่มีนะมันก็ยังฝังอยู่ในจิตเข้าใจไหมถ้าไม่ล้างจริงวันไหนจิตเกิดตกลงวันไหนจิตเกิดไปกระทบอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วจิตมันอ่อนแอ น, นั่นเองที่จิตตกเนี่ยคือจิตมันอ่อนแอนจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันตกลงมาเพราะพอจิตที่เป็นกุศลตกลงมานะไอ้อุปทานที่เป็นกิเลสต่างๆ ที่มันฝังอยู่พวกนี้ซึ่งเราไม่ได้ล้างมันให้สิ้นเกี้ยงมันก็จะขึ้นมาละมันจะโผล่ขึ้นมาทํางานละกรณีพอโผล่ขึ้นมาไอตอนที่กุศลเราอ่อนแอใช่ไหมกิเลบันโผล่ขึ้นมามันก็มีกําลังของอกุศลขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลับไปกินอีกนี่แหละมันให้รู้อาการของจิตที่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นสภาวะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะทําให้ เราเนี่ยก็เลยไม่รู้สัจจะที่แท้จริงนะสำหรับผู้รู้ความจริงแทงทะลุปรากฏการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ลำเอียงไม่ใช้อารมณ์ใช้แต่เหตุผลที่แท้จริงเป็นเครื่องตัดสินความทุกข์ทมวนของชีวิตนั้นก็ได้เริ่มรู้จักกับความอกหักเป็นครั้งแรกอกหักนี่คืออะไร คือความผิดหวังนั่นเองนะคือความไม่สมใจเนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องทุกในโลกเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องทุกการมีความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมของสัตรบุรุษแต่สัตรบุรุษใดก็ตามที่ไม่มีความจริงใจต่อตอนเองพยายามหาเหตุผลอื่นๆมากลบเกือนเหตุผลอันแท้จริงของตน แสดงกริยาอาการต่างๆเพื่อปิดบังหัวใจอันแท้จริงของตนสัตบุรุษนั้นก็ได้กลายเป็นสัตวะบุรุษไปแล้วจริงๆเข้าใจไหมสัตวบุรุษคือกลายเป็นบุรุษสัตว์มันเองคือสัตว์โลกทั่วไปอย่างเงี้ยจริงๆคําว่าสัตบุรุษเนี่ยจะต้องหมายถึงผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้ว ไม่เป็นมิจฉาทิฐิพรส ต, ตบุรุษแล้วจะต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเสมอและสามารถรู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงเพราะใครที่ที่ยังมาหลอกตัวเองโกหกตัวเองอยู่โอ้จะเป็นสัตบุรุษได้ยังไงแค่หลอกตัวเองนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเป็นสัตบุรุษได้แต่คนเรามักจะหลอกตัวเองแต่การหลอกตัวเอง ไม่ใช่คือไม่เหมือนกับการปลอบใจตัวเองนะ <g all ion> การปลอบใจตัวเองนี่คือเรารู้ความจริงบางทีเราอาจจะยังไม่เก่งเงี้ยเข้าใจไหมแต่เราก็พยายามปลอบใจตัวเองการปลอบใจตัวเองเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ปรุตนะก็ต้องปลอบใจอย่างสัมมาทิฏฐิเข้าใจหมอ่าแต่การหลอกตัวเองนี่ไม่ใช่เลยจะเป็นการโกหกหรือจะเป็นการพูด ในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอย่างเช่นบางทีเราเองเนี่ยเราเทศไม่ดีหรือว่าเราเทศไม่เก่งหรือว่าเราพูดไม่ดีเราพูดไม่เก่งแต่ก็หลอกตัวเองไว้ไงบอกว่าเอ้ยนี่เรายังไม่แสดงฝีมือเต็มที่เน <c oughs> ่เรายังแบบว่าอมมือไว้นั่นเนี่ยแต่จริงๆคือแสดงฝีมือเต็มที่แล้วแต่มันเก่งแค่นั้นแหละแต่มันไม่ยอมรับความจริงของตัวเองอย่างเงี้ยโกหกตัวเอง นะหลอกตัวเองผิดศีข้อ4ี่กตัวเองแต่ปลอบตัวเองนี่ต่างกันปลอบตัวเองนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างเช่นเราเทศไม่เก่งหรือว่าเราพูดไม่เก่งอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดไม่เก่งหมายถึงว่าพูดไม่ดีอย่างเงี้ยเราปลอบตัวเองว่าเออคราวหน้าหรือว่าคราวต่อๆไปนะเราจะพยายามออให้มันดีกว่านี้ให้มันเก่งกว่านี้อะไรนี่ยอมรับความเป็นจริงแต่เราก็ คล้ายๆกับว่าหากําลังใจหรือว่าหาอะไรมาเป็นเครื่องปลอบใจเราให้เราเนี่ยมีกําลังที่จะจะพยายามทําให้ดีขึ้นหรืออาจจะคิดว่าเนี่ยคราวหน้าเราคงจะทําได้ดีกว่านี้นะ่ะเนี่ยมันเป็นยอมรับอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับคือยอมรับว่าครั้งนี้มันไม่ดีจริงๆอ่าแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเออคราวหน้าเราคงจะทําได้ดีกว่านี้นะอันนี้มันเป็นแบบความหวังหรือว่าเป็นการปลอบใจ ไม่ใช่หลอกตัวเองเข้าใจไหมเนี่ยบางคนจะต้องเข้าใจอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทุกเวลาเรากุ้มหรือว่าเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะบางทีไปหาคนปรึกษาหรือว่าไปหาใครมาช่วยช่วยในแง่ความคิดเราได้เพราะบางทีเราเองเนี่ยแหละเราก็ต้องช่วยตัวเราเองเนี่ยก่อนนะต้องเป็นที่พึ่งของตนเองเราก็จะต้องพยายาม นะให้กำลังใจตัวเองหรือว่าปลอบใจตัวเองนี่ให้ได้ให้สําเร็จเพราะบางคนเนี่ยถ้ามาีความสามารถนะหรือว่ามีกําลังพอที่จะปลอบตัวเองให้กําลังใจตัวเองคนนี้ก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเข้าใจไหมอา่าจริงจคนเราต้องพึ่งตัวเองก่อนโดยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยพยายามมีอันนี้มีอันนี้ให้กับตัวเองนะปลอบใจตัวเองเสริมกําลังใจตัวเองคนนี้ ไม่เพียงแต่จะพึ่งตัวเองได้ในที่สุดแล้วคนนี้ยังจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยแล้วคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่สอนให้คนอื่นเนี่ยหัดพึ่งตัวเองได้ด้วยเพราะตัวเองทํามาได้เข้าใจไหมนี่แหละเพราะตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาจากการที่ตัวเองสามารถจะพัฒนาตัวเองอบรมตัวเองสั่งสอนตัวเองปลอบใจตัวเองได้อันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะอาตมาเนี่ยมีสาประโยคนะ เราจะต้องเป็นผู้ที่พึ่งตนเองให้ได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นให้ได้และทำให้คนอื่นพึ่งตนให้ได้เนี่ยสามข้อข้อแรกคือพึ่งตนเองให้ได้นะนี่เป็นอันดับที่หนึ่งข้อที่สองคือเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะข้อที่สองคือช่วยเหลือคนอื่นแต่ช่วยเหลื อ, อยังไงล่ะมันจะมีข้อที่สามว่า ให้คนอื่นเนี่ยพึ่งตนเองให้ได้เพราะว่าบางทีมีเหมือนกันบางคนเนี่ยพึ่งตนเองได้แล้วก็จริงแต่พอเวลาไปแนะนําคนอื่นเขาอะไรอื่นเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าให้เขาเป็นที่พึ่งไปตลอดอยู่เรื่อยเลย mm. ก็เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่รู้อยากโตนั่นเองไอ้อย่างงี้ไม่ไหวนะเขาก็เลยต้องมาเกาะติดแจอยู่ตลอดเวลาเขาพึ่งตัวเขาเองไม่ได้ชักทีทอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสามข้อเนี่ยให้ได้นะพึ่งตัวเราเองเป็นที่พึ่งของอื่นให้คนอื่นเนี่ยพึ่งตนเองได้ในที่สุดนะผู้ไม่มีความจริงต่อตัวเองป่วยการกล่าวถึงความเจริญความเบิกบานสดใสแห่งตนความเจริญความเศร้าหมองยังคงกระโดดกัดชีวิตผู้นั้นอย่างเมามันแหมสำนวนเขาเหลือกินนะ บอกว่าไอ้ความทุกข์ความเศร้าหมองเนี่ยยังคงแมนกระโดดเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมันกระโดดกัดเลยนะแมมเปรียบเหมือนไอ้พวกบ็อกเซอร์พวกแอนซิเชียนไอ้พวกอะไรนะที่อยู่เอาไอปลาอะไรนะที่ ท, ท, ที่ที่กัดคนเออปิเดนปีเดนญ่าเป็นแต่ปิรันย่ามันอยู่ในาน้ำเนะแล้วมันโดดได้หรป่าไม่รู้คือคืออตมาจะพยายามพูดเป็นรูปธรรมให้เราเห็นชั ด, ชด คือสำนวนเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ความทุกข์ความเศร้ามองเนี่ยยังคงกระโดดกัดชีวิตผู้นั้นอย่างเมามันนะเออให้เรานึกออกมาเป็นภาพเลยบอกโอ้โหนะไอ้ความโกรธความเกลียดความเศร้าความอะไรกิเลสต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนกับว่าเราพยายามจะวิ่งหนีแต่ที่ไหนได้หมามันวิ่งไล่งับเราตลอดเวลานิพพานจะถึงได้อย่างไร ถ้าเรายังคงปฏิเสธความแท้จริงของหัวใจยังคงหลบซ่อนจากเหตุวงเล็บสมไทยัยของตัวทุกอันแท้จริงนะอันนี้เขาบอกว่าคือถ้าคนเราเนี่ยพยายามหลอกตัวเองนะแล้วก็ไม่หาต้นเหตุที่แท้จริงว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเหตุอะไรที่ทำให้เราทุกทให้เราต้องเศร้าหมองแต่แทนที่จะหาต้นเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุกเราเศร้าหมองใช่กับพยายามหลอกตัวเองนี่คือกบเกื่อน อย่างเช่นกินมือเดียวไม่ได้สักทีกินมือเดียวไม่ได้สักทีนะพยายามฝึกกินมือเดียวยย ก, กินมือเดีย ว, ยวแต่ปรากฏว่ายังไงจะหลอกตัวเองยังไงสลัดคืนแหมสลัดคืนคือกินหลายมือ สลับคืนสลัดคืนสู่สามมือหรือไม่มีมื้อเลยอ <c oughs> อ่า อ, อย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็เป็นการหลอกตัวเองใช่ไหมอ่าแล้วถ้าไม่หลอกตัวเองอะ่ะถ้าไม่หลอกตัวเองอาจจะบอกว่าไงมันต้องหาสมูทไทยใช่ไหมเนี่ยว่าทําไมละ่ะไอ้ที่เรากินมื้อเดียวไม่ได้เนี่ยมันมันเพราะอะไรใช่ไหมต้องหาต้นเหตุไปว่าที่กินไ ม, ไม่ได้มือเดียวเนี่ยเพราะออเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้คือถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนนี้จะเริ่มมองความเป็นจริง ได้ได้ถูกฝากถูกตัวแล้วเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่พอเราล้มเหลวหรือว่าเราทํางานผิดพลาดหรือว่าเกิดเผลอไปด่าใครแล้วเสร็จแล้วเราก็อ้างว่ายัางไงเผลอไปดา่าใครเขสมมติว่าทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยสมมติว่าปกตินี่นิสัยเคยชินชอบพูดสมมตินะสมะสมุตินะบางคนเนี่ยไอเฮียมั่งไอฮาบ้างทุเรศบั่งอะไรบั่งไอที่มันเป็นคำหยาบหยาบเอาบางคนติดเนี่ย ไปไ ป, ไปฝึกไว้มากไปจําไว้มากบางติดจริงๆริงที่เผลอหลุดออกมาอเงี้ยนะตัวเงินตัวทองหลุดออกมาเพ่นพานนะถ้าหลอกตัวเองเปไง็นไงนะหลอกตัวเองไงคนนั้นนะ่ะเข้ามาทําให้อารมณ์เราขาดสติเราไปโทษคนอื่นใช่ไหมนี่ก็หลอกตัวเองจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราปากก็อยู่ของเราใช่ไหม เออแต่ชอบบางทีไปอ้างคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรนี่อามาสมมุติเท่านั้นเองนะสมมุตินี้อาจจะยังไม่ชัดก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละพูดขึ้นมาเพื่อให้เราพอที่จะนึกได้ว่าว่าเลิกซะอันนี้สายที่บางทีเนี่ยชอบหลอกตัวเองโดยที่ชอบไปอ้างคนโน้นคนนี้เนี่ยมาทําเราเลยต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นที่ใจก็ของเราปากก็ของเราตาก็ของเราจมูกก็ของเรา นะอะไรก็ของเราทั้งนั้นแหละมันออกไปมันก็ออกจากเราไม่ใช่ออกมาจากเขา <c oughs> มันถ้าไม่หลอกตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าอ๋อไอ้ที่เราขาดสติแล้วเราพูดไปอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งบางทีเราเคยชินใช่ไหมอย่างที่ตะกี้บอกเราเนี่ยไปสั่งสมไอ้ตัวที่ที่ใช้อย่างยี้บ่อยๆ บ, บางคนนี่ปากอาจจะไม่พูดแล้วแต่ใจยังนึกดา่าใครต่อใครอยู่ในใจอยู่เรื่อยเลยเอา้าวบางคนนี่นะ ฝึกสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วปากไม่เที่ยวด่าใครก็แล้วแต่เห็นอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจไปแล้วนะอในใจที่ด่ายแล้วด่ายแล้วแล้วคนนี้ก็ฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยสั่งสมความเคยชินอย่างนี้อยู่เรื่อยวันใดก็วันนึง่ะเออมันต้องหลุดมาจนได้แหละแต่ไม่มองถึงสมุทยัยไม่มองถึงไอความจริงตัวนี้เพราะนี่แหละถ้าใครเนี่ยไม่ไม่มองอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็เผลอมันก็ต้องออกมาเพราะอะไรเพราะของมันเคยปาก ว่าของมันเคยปากเหมือนกับบางคนเนี่ยหยิบกินอะไรเนี่ยบางทีไอ้ของที่ชอบอนี่ยิบมากินไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมบางทีเนี่ยยิบจะว่าจะพานพานพานตั้งตะบ่าไว้ด้วยนะตั้งตาบ่าไว้ด้วยนะว่าจะไม่หยิบสละเปาตั้งตาบ่าไว้ไม่หยิบสระเปาโอ้ยมันมันอยู่ในปากตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแหมมันเคยชินอว่าตั้งตาบ่าว่าจะไม่กินส้มตำํำอ้าวโอ้ยหมดชา ม, มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไม่ลืมแกล้งหรอกแกล้งลืมหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆบางทีมันเผลอไปแล้วเพราะาไอ้ความเคยชินก็มีไงอาตมาเคยเล่าอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วอ่ะแต่เสร็จแล้วก็กินรวมกับพวกพี่น้องเขาอ่ะนะเขาก็มีทั้งกับที่เป็นเนื้อสตัตว์เป็นทั้งอะไรด้วยไอ้ที่เจก็มีอยู่ด้วยนะอาตมาก็ปกติก็กินไปได้กินแต่ไอ้ที่เป็นมังสวิรัตินั่นแหละมีวันนึงคุยแล้วมันเพลินไง คุยไปคุยมามันเพลินไปขีบไอเนื้อขึ้นมาเตรียมจะเข้าปากเลยพอดีได้กลิ่นถึงนึกได้ขึ้นมาอ้าวเอ๊นี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเพลินมันเคยชินมันก็ขีบนั่นขีบนี่ไอสัญญาเก่ามันมีเพราะพอตอนบางทีคุยกับคนนั้นคนดีเนี่ยมันเผลิไปแล้วซึ่งอันนี้เราจะต้องรู้แล้วว่าจริงๆถ้าเราไม่หลอกตัวเองก็เราก็จะรู้ว่าโอ้โหเรายังมีเชื้อนี้มันมันซ่อนมันฝังอยู่ในใจเราใช่ไหม และไอ้ความเคยชินด้วยมันทำให้เราพลาดได้นั่นแหละก็ต้องตามสมูทัยเนี่ยให้ได้ไม่มีใครผิดเลยในโลกนี้ด้วยโดยความสัตย์จริงทุกคนต่างก็ทำตามสติปัญญาความคิดความอ่านของแต่ละคนความผิดจึงไม่ใช่การที่เราจะต้องสร้างความโกรธและความถูกต้องจึงไม่ใช่การที่เราจะต้องสร้างความชื่นใจความพอใจ อันนี้เขากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้นั่นเองนะกำลังจะใช้สำนวนนี้ว่าคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นบางทีทำผิดพลาดอะไรไปก็นะอย่าไปโทษตัวเองจนเกินไปนักอ่าหรือว่าพอบางทีทำอะไรได้ได้ถูกใจได้สมใจก็อย่าไปชื่นชมตัวเองจนเกินไปนักนะเขากำลังจะพูดอย่างนี้เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อาจจะทําให้ชีวิตของผู้หนึ่งน่าหงิกงอขณะเดียวกันเรื่องเดียวกันเมื่อเกิดกับอีกชีวิตหนึ่งชีวิตนั้นมีแต่ยิ้มน้อ ย, อยที่บุมปากความยึดถือความยึดมั่นในหัวใจของแต่ละชีวิตนั้นต่างหากที่ก่อให้เกิดความหงิกหรือการยิม้มเขากำลังจะพูดถึงอุปทานแล้วอันนี้อย่างเช่นเราจำสำนวนได้ไหมที่เขาพูดถึงสองคนยน ยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวใช่ไหมอีกคนหนึ่งมองเห็นโครนตรมนะเพราะฉะนั้นเข า, าจะบอกว่ามันแล้วแต่อุปท า, านหรือว่าแล้วแต่รสนิยมของจิตที่ใครเนี่ยไปฝังมาไวอย่างไงเมันเนี่ยมองออกไปจากไอ้ไอ้รูเดียวกันเนี่ยไอ้คนหนึ่งมันอาจจะโอ้มองไปบนท้องฟ้าเลยอีกคนนึงไอ้ไอคนนึงมองเห็นสวรรค์อีกคนนึงมองเห็นนรกเป็ยังไง นะนจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าแต่ละคนสั่งสมอุปทานมาไม่เหมือนกันเพราะบางคนนี่โดนด่าคนนี้โดนด่าคำเดียวกันเลยมีคนมาถึงด่าหน้าตาคุณนี่มันไม่เอาอาวเลยทุเล็นนะอย่ามาพูดกับฉันอย่ามาใกล้ฉันนะอีกคนหนึ่งพอเจออย่างนี้เข้าอาจจะโอ้โหเรียกว่าอะไรอ่ะโกรธโมโหไปเลยก็ได้นะ แต่อีกคนนึงเจอสำนวนอย่างนี้เป๊ะเลยแต่ปรากฏว่ายิ้มให้เลยเอ อ, อาจจะหัวเราะขำๆว่าไ อ, อ้นี่มันบ้ามาอย่างไห น, น <c oughs> วะเขา <c oughs> ถึงมาพูดอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแทนที่จะไปถือสาหรือว่าอะไรไม่ถือสาเลยอันนี้เนี่ยอยู่ที่อุปทานหรือว่าอยู่ที่ความยึดหรืออยู่ที่บา ร, รมีที่คนนั้นเนี่ยฝึกจิตมายัางไงเพร <c oughs> าะบางคนเนี่ยพอเวลาเจอปัญหาเข้ามาบางคนนี่หน้าหงิกเลยพอเจอปัญหาเข้ามา นะบนอูบอีบเลวทำไมจะต้องเป็นชั้นทำไมจะต้องเป็นชั้นแต่อีกคนหนึ่งพอมีปัญหาเข้ามาโอ้โหอย่างนี้แหละจะเพิ่มบารมีของเราอย่างนี้แหละจะทำให้เราบรรลุธรรมไวๆแหมมันตัวข้ามเลยนะมันคนละคนละเรื่องเลยนะจิตแต่ส่วนใหญ่รู้สึกคนคิดอย่างนี้จะน้อยนะส่วนใหญ่พอเจอปัญหามากๆเนี่ยชักหน้าเป็นหน้าใกล้อะไรอะ่ะหน้าใกลต้ตาหูก็หน้าเหมือนตาหู หน้ากายทุเรียนหน้าเหมือนทุเรียนนั่นแหละอันนี้แล้วแต่ใครสั่งสมบุญบารมีหรือใครมีอุปทานจิตว่ยังไงนะคนนั้นจะออกไปนะตามที่ตัวเองมีตัวเองเป็นความผิดจึงเกิดขึ้นกับหัวใจทุกๆดวงที่ยังถือสาอย่างไม่ยอมปล่อยวางมันได้กลายเป็นท่าที่ปล่อยไม่ไปเสียแล้ว และสักวันมันก็คงจะกลายเป็นเจ้าท่าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะไม่มีใครสยบมันได้แม้แต่พระบรมศาสดาทําไมผู้เจ้าสยบมารพวกนี้ไม่ได้ไหนบอกมาสิทําไมผู้เจ้า ส, สยบกิเลสมาไม่ได้เพราะว่ากิเลสมา น, นี่มันอยู่ในใจคนอื่นเ <laughs> ข้าใจไหม ที่ท่านจะสยบไม่ได้เพราะมันอยู่ในใจคนอื่นเพราะ่อยู่ในใจใครคนนั้นต้องสยบเองแม้ผู้เจ้าก็มาสยบให้ไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเป็นจุดสาคัญเพราะหลายคนเนี่ยบางทีนี่เอามาพึ่งสมณะมาพึ่งสิกามาสมาพึ่งสมทเทหรือว่ามาพึ่งบ่ท่านนะหวังว่าพ่อท่านจะช่วยสยบมาในใจเขาได้แต่ความจริงได้แต่เพียงแนะนาให้เท่านั้นเอง ว่าเออวิธีสยบอย่างนี้นะวิธีฆ่ากิเลสมาอย่างนี้นะได้แต่แนะนาบอกให้เท่านั้นเองแต่คนที่จะฆ่ากิเลสนี้ได้ต้องตัวของเราเองต้องพึ่งตนนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งตนจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยยิ่งเรื่องนี้ไม่มีทางพึ่งใครได้แม้แต่พึ่งพุทธเจ้ายังพึ่งไม่ได้พุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่มีทางเลยที่ท่านจะไปฆ่ากิเลสให้ให้คนอื่นได้ ท่านถึงบอกว่าเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้ผู้ที่ทําให้คนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้นะได้เองอะ่ะหมายถึงว่าพอพูดไปปั๊บสอนไปปั๊บเขาบรรลุธรรมเพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยไปพูดทําให้เปล่าเลยท่านบอกท่านเป็นเพียงแค่ผู้แนะนําเท่านั้นอันนี้เนี่ยพูดเพื่อให้เรารู้สัจจะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยแม้แต่เอาเนี่ยนามาศึกษาเนี่ย เรามาศึกษาเรื่องธรรมะกันอาตามาก็บอกก็ขยายก็อธิบายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครจะได้มรรคผลไหมคนนั้นไม่ใช่เพียงแต่แค่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้คิดแต่คนนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติกับตัวเองจนเกิดมรรคผลให้ได้คนนั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆจิตใจเป็นสิ่งที่เบายิ่งกว่าขนนกวิเศษไม่มีใครเห็นแต่ก็รับรู้ได้ เราไม่สามารถเห็นตัวมันแต่ก็เห็นอาการของมันดุดลมที่กระพือพัดใบไม้ให้สั่นไหวเมื่อใดก็ตามที่ใบไม้ไหวนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่ามีลมเมื่อไม่มีอาการไหวเราจะรู้ความร้ายกาจแห่งจิตใจได้อย่างไรตัวร้ายก็ต้องจับมาฆ่าฆ่าเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเท้าของเราก็จะเริ่มก้าวเข้าสู่มิติแห่งความจริงแท้ ของกระแสแห่งธรรมชาติขอใช้คำว่าขอขอใช้ภาษากลับกันหน่อยว่าก็จะเข้าสู่กระแสแห่งชาติแห่งธรรมนะจะเข้าสู่กระแสแห่งชาติชาติชาติธรรมนะชาติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่จะเข้าสู่ความเกิดธรร ม, มะนั่นเองชาติแห่งธรรมอันนี้เนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องที่เป็นของเซนเขาอะ ที่เขาพูดชี้ไปที่ต้นไม้ที่ไหวแล้วเขาบอกว่าอะไรทำให้ต้นไม้ไหวจำเรื่องนี้ได้ไหมบอกอะไรที่ทำให้ต้นไม้ไหวมีคนตอบว่าลมทำให้กิ่งไม้ใบไม้นี่ไหวนะแต่ทางเซนคนที่เขาเรียนเซนนะเขาก็บอกว่าอีกคนนึงครนี้ลูกศิษย์อีกคนนึง บอกว่าไม่ใช่หรอกไอ้ที่ใบไม้ไหวก็ตามหรือว่ า, าลมอาทออธงอ่ะธงอ่ะธงมันพิวสบัดก็ตามนะมันไม่ใช่เพราะลมแต่ที่มันไหวเพราะใจของเรา <c oughs> แหมเซนเลยนะแมแล้วจริงๆมันอะไรไหวฮ <c oughs> ะจริงๆอะไรไหว จริงๆใบไม้ก็ไหวใช่ไหมธงก็ไหวเพราะลมใช่ไหมอ่าอันนั้นแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันไหวอยู่ภายนอกเข้าใจไหมแต่คราวนี้ถ้ามาพูดถึงภายในเราแล้วใช่ลมมันพัดใบไม้ไหวลมมันพัดธงให้พิวแต่ลมมันพัดใจเราให้พิวหรือว่าให้ไหวไม่ได้คราวนี้อะไรที่ทำให้ใจเราพิวหรือว่าใจเราไหวอ่า อารมณ์ของกิเลสลมเหมือนกันแนหะแต่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันทำให้ใจเราเนี่ยปลิวแล้วก็ไหวไปตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดรอบๆตัวเราคือเครื่องทดสอบธาตุแท้แห่งจิตใจความจนคือเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละจริงหรือเปล่าความจนเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละจริงหรือเปล่า หมายความว่ายังไงคําพูดนี้ความจนเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละนะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละถ้าคนกล้ารวยใช้สำนวนนี้นะถ้าคนกล้ารวยเนี่ย เขาจะกล้าเสียสละไหมเขาไม่กล้านะถ้าคนกล้าจนเขาจะกล้าเสียสละหรือค น, นคนที่ไม่กลัวจนเนี่ยคนที่ไม่กลัวจนเนี่ยเขาก็จะกล้าเสียสละถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่าความจนเนี่ยคือเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละหมายถึงว่าใครเนี่ยจะเสียสละได้เนี่ยนะต้องพิสูจน์กันที่ ต้องกล้าจ น, นมาพูดพูดให้มันกลับกันแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจไหมไอ้ไอ้นี่มันบางทีมันยังฟังแล้วมันยังไอ้นั่นใช่ไหมวันถ้าบอกว่าผู้ที่กล้าเสียสละเนี่ยนี่แหละความเสียสละนี่แหละมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนนั้นเนี่ยไม่กลัวจนแ ล, และความรวยคือเครื่องมือที่พิสูจน์ความเห็นแก่ตัว นะอันนี้เขาก็เลยบอกเนี่ยความรวยคือเครื่องมือที่พิสูจน์ความเห็นแก่ตัวเพราะว่าส่วนใหญ่นะความเห็นแก่ตัวเนี่ยใครก็ตามที่เห็นแก่ตัวโดยปกติโดยธรรมดาอันนี้เราพูดถึงความรวยกับความจนนะเพราะว่าโดยปกติโดยธรรมดาคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยต้องเอาลาสเอาเปียบคนที่เอาราดเอาเปรียบเนี่ยันมีเหรอมันจะยอมจนมันไม่มีหรอกมันมีแต่จะต้องเอารวย นะตอนนี้เอาเปรียบกับพวกเราบ้างพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราเองเนี่ยนะมันมีอยู่สองสองประเด็นใหญ่ๆคือเห็นแก่ตัวกับเสียสละนาะมันมีประเด็น2ประเด็นใหญ่ๆถ้าเรื่องไหนก็ตามถ้าเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้เราเห็นแก่ตัวอยู่แสดงว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรามักที่จะ พยายามกอบโกยพยายามที่จะเอามาเป็นของเราสังเกตไหมถ้าถ้ายังเป็นกิเลสความเห็นแก่ตัวเราอยู่มันมักจะพยายามกอบโกยเข้ามาแม้เราไปนั่งปฏิบัติธรรมนะเนี่ยมันเป็นอุปทานที่มันยังเรายังหลอกตัวเราเองหรือว่าเรายังหลงอยู่ในโลกียะเนี่ยมันก็จะอย่างนี้มันจะมีอํานาจของกิเลสเนี่ยที่จะอ่าอันนี้ต้องเป็นของข้าอันนี้ต้องเอามา แต่ถ้าคราวไหนเนี่ยที่เรารู้สึกเลยว่าคราวนี้นี่เราให้ไปให้ไปเสียสละไปให้เขาให้เขาคราวนั้นน่ะเราจะรู้ได้เลยนะว่ามันมันมันเป็นเครื่องที่มันให้เห็นเลยว่าเรื่องนั้นน่ะใจเรานี่มันเป็นยังไงฮะเสียสละเนี่ยใจมันรู้สึกยังไง อะไรนะฮะโอโหไอ้มันตรงข้ามกันอยู่เนี่ยนะไอเห็นแก่ตัวมันก็จะต้องกอบโกยเอาเข้ามาใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าใจเราเสียสละเนี่ยมันมันมันไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวเราอะมันก็คิดแต่ว่าจะให้คนโน้นจะให้คนนี้มันมันกล้าที่จะเสียสละออกไปแล้มันจะเห็นแก่ผู้อื่น <c oughs> แทนที่จะเห็นแก่ตัวเราแล้วไปสังเกตดูก็ได้ไปจับดูเรื่องไหนก็ได้ เพรานคราวนี้เนี่ยกาลังกําลังจะไปตรวจดูจิตตัวเองถ้าเรื่องไหนถ้ า, ายังมีลักษณะอาการอย่างเงี้ยโอ้โหให้เห็นเลยว่าโอ้โหอันนี้นี่เรายังเห็นแก่ตัวนะยังไม่กล้าเสียสละนะนี่นี่คืออํานาจของกิเลส ท, ที่มันมีอยู่ในใจเราบางทีไม่ต้องอื่นกาหรอกแค่ที่นั่งก็ได้วันทีขึ้นรถเนี่ยเอาไม่ได้แล้วฉันต้องแย่งที่นั่งตรงนี้ปลอดภัยที่สุดหรือว่ารับลมดีที่สุด อ, อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าสมมุติว่า ขึ้นไปหลายๆคนนะนะเราเองเราตาวแล้วต้องจองตรงนี้ก่อนแหละเราจะเห็นเลยว่าเออเรายังมีกิเลสตัวนี้อยู่อันนี้กำลังจะพูดให้เห็นว่าจับกิเลสเราให้ทันรู้กิเลสเราเราให้ได้ถ้าเราจับได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยต้องหัดเสียสละอย่าอย่าไปตามใจกิเลสมันต้องหัดเสียสละจะไปนั่งตรงรอ ก, ก็ตายตา ย, ตาย ไปนั่งก่อนก็แล้วไปอา้าวแหมไอ้นั่งก่อนนั่งไอ้นั่งก่อนอะมันยิ่งเลือกได้ไอ้ไปนั่งที่หลังสิวัาไม่มีสิทธิ์เลือกเข้าใจไหมนั่งก่อนเนี่ยยิ่งเสียสละได้นะแหมพูดผิดพูดใหม่ได้นะไอ้ไปนั่งที่หลังสิสมมุตินะอธิบ า, ายะยกอย่างนะป้าก่ว่าเราขึ้นไปนั่งที่หลังนี่นะป้าก่ว่าคนอื่นๆ น, นี่นะจริงๆแล้วเขา เขาเหลือไอ้ตรงที่ที่ดีที่สุดไว้ให้เราเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่เขาขึ้นไปก่อนนี่เขา <S <S เขาเสียสละให้เรา <S 1> <S 1> เ, เราน่าจะรู้โดยทัําไปใช่ไหมถ้าถ้าหมายถึงว่าเอากระแสมันมันจะถึงกันนะถ้าเราเป็นคนที่เราเองเราก็พร้อมจะเสียสละให้คนอื่นเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหจริงที่นี่มันเหมาะที่นี่มันคนจะต้องแย่งกันนั่งใช่ไหมแต่กับเว้นเอาไว้ให้เราอ่ะ ซึ่งเราเป็นคนไปทีหลังสุดด้วยเราต้องรู้เลยว่าโอ้โหคนในรถนี่แต่ละคนแสดงว่าเป็นผู้ที่เสียสลัมากเพราะอัตมาถึงบอกว่าคนที่ยิ่งไปก่อนทีแรกเนี่ยแล้วเขาไปนั่งในที่ที่มันแย่ที่สุดนี่นะแสดงว่าโอ้โหคนนี้นี่สุดยอดเลยคนนี้นี่เห็นแก่คนอื่นมากเลยยอมเสียสลัที่จะไปอยู่ในจุดที่มันลาบากหรือว่าแย่ที่สุดแต่เขาเขาทาได้อะ เขาทนได้นะถ้าไม่มีคนที่มีจิตวิญญาณอย่างนี้ไม่มีใครเป็นโพธิสัตว์เ <c oughs> นี่ยมาเปรียบเปรียบถึงรถและที่นั่งนี่ให้ฟังเนี่ยเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเราจะได้อ่านจิตแล้วเราจะได้รู้จิตตัวเองมันเหมือนกับบางทีเนี่ยมีงานที่ยกงานที่แบกหามอะไรก็ตามแต่ไปสังเกตดูฮะไอ้ใครเห็นแก่ตัวก็จะรีบไปเอาไอ้งานเบาไว้ก่อนอ บ, บอกแล้วว่าสมมุติว่าอันนี้ยกไว้นะถ้าใครเขาเจ็บเขาป่วย เนือสุขภาพเขาไม่ดีก็ต้องไปจับงานนั้นอันนี้ยกไวเพราะอันนี้จะต้องระวังว่าบางทีเราก็จะไปสรุปอีกแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บเขาป่วยใช่ไหมพอเห็นไปโอ้ไปจับงานเบาๆเราสรุปเลยอันนี้เห็นกับตัว <c oughs> เสร็จเลยนะอันนี้แสดงว่าเราเราพลาดอีกแล้วไม่ได้นะ่าจะจะต้องรอบคอบรอบอสุ ข, ขุมนะไม่ต้องไปดูคนอื่นเอาดูจิตเราเองนี่แหละดูตัวเราเอง พอเราไปทำอะไรเนี่ยนะเอาแล้วเริ่มแล้วเราจะไปทำงานที่ที่มันสบายที่สุดหรือว่าถูกใจเราที่สุดหรือว่างานที่มันลำบากน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกเอาั้านน่ก่อนเนี่ยถ้าอย่างงี้ปับ๊บเรารู้จิตเราเลยว่าเอาอีกแล้ ว, ม า, ลวมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวเอาเปรียบคนอื่นเขาตัวเห็นแก่ตัวนี่แหละตัวหวังรวยเนี่ยแหละแต่ในที่นี้เนะี่ยเราใช้หวังรวยใช่ไหม แต่ในที่นี้เราคือหวังสบายนะมันขึ้นมาแล้วเพราะว่ายิ่งเรามาทํางานโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินทองแล้วเพราะฉนั้นแทนที่เราจะมาหวังลาบแทนที่เราจะมาหวังลาบนี่ใช่ไหมมันไม่หวังลาบอย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันจะหวังเสพสบายอะไรพวกนี้เพราะอันนี้ดูเอาดูให้ชัดถ้าใครดูแล้วแก้ได้ปรับได้นะ โอ้โหคนนั้นจะยิ่งสบายแบบเน่ขำมากขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยเพราะคราวนี้นะไปนั่งตรงจุดไหนก็ไม่ทุกอะมันวางใจได้หรือว่าไปทํางานในส่วนไหนที่มันหนักเราต้องแบกเนี่ยไม่บนไม่อย่างไันนะ้บางคนเนี่ยถ้าถ้ายัางไม่เข้าใจอารมณ์ของกิเลสพวกนี้นะแล้วไม่ฝึกไม่ปรับนะพอไปทํางานหนักหรือไปนั่งที่ไม่ดีอะโบนอุบอเยือยงั่นแหละ นะบ่นอย่างงั้นบ่นอย่างงี้โทษอย่างงั้นโทษอย่างงี้บางทีนะถ้ายิ่งไม่ระวังนะใจมันพรานขึ้นไปเรื่อยๆพานขึ้นไปเรื่อยๆครๆาวนี้เลยไม่บ่นแล้วบรรดาเลยละคราวนี้ไม่ไม่บ่นแล้วนะอะเพราะฉะนั้นอันนี้พยายามจับจิตจับใจเราให้ดีให้ไวจริงๆอันนี้เป็นในชีวิตประจําวันเราเสมอเสมอเลยถ้าใครใครพยายามจับดูแล้วจะรู้ เพียงแต่ว่าใครหนักใครเบานี่แล้วแต่คนคนนั้นว่าสะสมกิเลส ม, มามากหรือน้อยขนาดไหนถ้าสะสมกิเลส ม, มามากเนี่ยโหปล่อยหลุดออกมานี่มากแต่ถ้าใครมีน้อยคนนั้นก็หลุดออกมาให้เห็นน้อยยิ่งถ้าเป็นฐานอนาคามีไม่มีหลุดออกมาเป็นกายกรรมไม่มีหลุดออกมาเป็นเบจีกรรมแต่มันอยู่ในใจแต่รู้เลย ถ้าเป็นฐานาขมีเนี่ยท่านรู้เลยว่าอ่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้กิเลสตัวนี้แล้วท่านก็จะรีบปรับรีบแก้ของท่านนะเนี่ยนะแล้วความจนเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละและความรวยคือเครื่องมือที่พิสูจน์ความเห็นแก่ตัววิกฤจการทําให้เรารู้จักกับคําว่าเพื่อนแท้ความอร่อยแห่งอาหารทําให้เรารู้จักกับ ความตะกะขลือหาดับลือหาดรับของจิตใจแหลงสิงสู่มวลสัตว์ร้ายนานาชนิดเมื่อไม่มีเหยื่อล่อพรานแห่งสัจธรรมอันคือเราจะฆ่ามันได้อย่างไรเมื่อหนูตัว น, น้อยเดินผ่านเจ้าแมวเจ้าแมวร้ายจะตาวาววิ่งปราดออกมาเมื่อแกะน้อยส่งเสียงคล่ำควรวญ เจ้าหมาป่าจอมอันดาพานก็จะแห่กันมารุมกระชากเนื้ออันโอชะเมื่อกวางจ้อยส่งเสียงร้องอย่างทรมนงเจ้าเสือร้ายก็แห่เบียดกันออกมาด้วยน้ำลายสอพรานชีวิตพรานที่จะกระชากหน้ากากาแห่งความมืดบอดให้หลุดออกจากจิตปิญ ญ, ญาทุกชีวิตจะต้องเป็นพรานอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ เว้นแต่ชีวิตผู้นั้นจะไม่ต้องความไม่ต้องการความพ้นทุกนะอันนี้เขาเปรียบเลยนะถ้าใครจะเป็นพรานชีวิตนี่ต้องกระชากความมืดบอ ก, ก็คืออวิชชาเนี่ยทิ้งให้ได้แล้วทุกคนจะต้องทำด้วยถ้าใครไม่ทำคนนั้นไม่มีหวันพ้นทุกได้แต่อ น, นิจจาเราพรานชีวิตแห่งวัฏฏะกลับพาดเหยืย่ของเขาไปแล้วแล้วเราเล่านับกับกัน เขาลืมความเป็นพรานเสียสนิทยิ่งกว่าความบอแทงดวงตาทุกครั้งที่มีเหยื่อหลงมาใกล้ขลือหาแทง จ, จิตใจพวกเขากลับปล่อยให้เจ้าสัตว์ร้ายกระโจนออกมากัดกินเหยื่ อ, อยังเมาหมันทุกครั้งที่มีใครมาแย่เจ้าสัตว์ ร, ร้ายพรานชีวิตเหล่านั้นกลับด่าว่าผู้มาแย่อย่างบ้าคลั่งขณะเดียวกันเจ้าสัตว์ ร, ร้ายก็กลับวิ่งออกมา ตะปอบผู้แยอยังหืนก็หายความเป็นพรานชีวิตของพวกเขาได้ถอดทิ้งเอาไว้พร้อมกลับการกัดโจนเข้าสู่พายุแห่งวังวนชีวิตอันกว้างไกลความจริงต่อตัวเองจึงเปรียบเสมือนประทีปสองชีวิตให้เดินโดยไม่ผิดทางผู้หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองจึงคือผู้ทวนกระแสแห่งโล ก, กุตระโดยสิ้นเชิง เป็นประตูพระนิพพานอย่างเด็ดขาดสมบูรณ์แต่นั่นแหละเรากล้าที่จะจริงต่อตัวเองเปิดเผยต่อตัวเองได้แค่ไหนกันลองมาดูกันสิว่าวิธีการแก้ทุกหรือปัญหาในหัวใจของเรานั้นเราได้ใช้ความจริงหรือความเท็จสู้กับมัน <c oughs> แล้วเขามีกรอบนะมีกรอบมีตัวหนังสือว่าลีลาการแก้ทุกข ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราคงจะเป็นหัวข้อนะเนะี ic, ่ย defense mechanism นาการปรับตัวเพื่อแก้ไขหรือลดความคับค้องใจนะมันเป็นหัวข้ออ่ะเดี๋ยวอราจมาอ่านอีกนิดนึงนะตรงหัวนำเขามีขึ้นหัวข้อนี้แล้วว่าเมื่อเมื่อเกิดชีวิตมันก็ต้องมีความอยาก เมื่อมีความอยากมันก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาทุกอันเนื่องจากความไม่รู้สภาวะความแท้จริงของทุกนั้นดันนั้นทุกชีวิตจึงมีปัญหามีแต่ความไม่สมใจมีแต่ความคับค้องใจคับแค้นใจขมขื่นใจแล้วก็อื่นๆ อ, อ, อีกปัญหาเหล่านี้นะักจิตวิทยาได้วิเคราะห์กันไว้มากพอดู ซึ่งเราจะนำมาแยกแยะให้ลึกลงไปอีกถึงจิตในจิตกันทีเดียวความทุกข์ความอัดอั้นตันใจหรือการมีปัญหาใดๆในหัวใจก็ยังไม่สมอยากที่ยังไม่สมอยากที่ยังแก้ไม่ตกก็ดีแนวการแก้ความขับข้องใจหรือความอยากเหล่านี้ต่างก็มีลีลาเป็นของแต่ละคนแต่ก็ไม่พ้นแนวหลักใหญ่5 ห, หลักดังนี้นะวิธีแก้นะหนึ่ง <c oughs> น้ำวิธีแก้ความคับค้องใจหรือความอยากเนี่ยนะมันไม่พ้น5ข้อนี้คือ 1. ความกลัว 2. ความกระสับกระส่ายวากวนกระวายใจ 3. ความป่วยไขย้ 4. สู้ 5. หลบหนีอันนี้เป็นหัวข้อ5ข้อแล้วต่อไปนะข้าต่อไปเราคงจะมามาศึกษากันก็แล้วกัน นะวันนี้คงคงจบลงตรงนี้แหละนะ